คำปรารบเพิ่มเติมจากผู้แปลในที่นี้ท่านเขียนเพิ่มเติมในพุทธศักราช2538หลังจากตีพิมพ์ไปแล้วหลายครั้งผ่านเวลามาหลายปีมีผู้ได้อ่านไปจํจำนวนมากแล้วนะครับคำปรารบเพิ่มเติมจากผู้แปลในช่วงเวลาอันยาวนานนับตั้งแต่สํานักค้นคว้าทางวิญญาณได้รับมอบการพิมพ์หนังสือชุดโลกทิพย์ไปจากข้าพเจ้า เมื่อหลายสิบปีมาแล้วนี้ได้มีผู้สนใจทั้งที่ยอมเชื่อหมดที่ยอมเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างและที่ไม่ยอมเชื่อเลยอย่างเด็ดขาดได้มาสนทนาอย่างเป็นกันเองกับข้าพเจ้ามากหลายด้วยกันดังที่ข้าพเจ้าจะขอนำมาบรรยายท่านผู้อ่านในการพิมพ์ใหม่ครั้งนี้อย่างเป็นกันเองไม่ใช่อย่างนักวิชาการดังต่อไปนี้ 1. สภาพความเป็นไปในโลกทิ ที่ได้แปลบรรยายออกมามากมายนั้นไม่น่าจะเป็นความจริงไปได้เลยเพราะเท่าที่เขาได้อ่านจากเรื่องเกี่ยวกับสภาวะของโลกทิพย์ที่พิมพ์ขึ้นในประเทศไทยโดยประสบการณ์ของคนไทยเป็นจํานวนมากมายเช่นพันเอกสนอผู้ลงลับไปแล้วของคุณทอเลียงพี่บูรณ์และของผู้อื่นอีกมากมายจนจําชื่อและเรื่องไม่ได้นั้นเหตุใดจึงไม่เหมือนกันกับสภาพของโลกทิพย์ที่มีบรรยายไว้ในเรื่องที่ข้าพเจ้าแปลนั้นดังนั้น ท่านผู้เสนอข้อทวงติ่งดังกล่าวนี้จึงสรุปความเห็นเอาดื้ อ, อคือยืนยันอย่างหนักแน่นว่าข้อความทั้งหมดนั้นคือทั้งในชุดโลกทิพย์ของคุณทอเลงพิบูรณ์และคนอื่นๆในประเทศไทยเป็นเรื่องที่เกิดจากความละเมอเพ้อฝันเอาเองทั้งสิน้นรา ถ, ถ้าสภาพเหล่านั้นมีจริงๆก็ควรจะต้องเป็นสภาพที่เหมือนกันคือตรงกันหมดทุกประการข้อที่สอง แต่ก็ยังมีผู้อ่านอีกประเภทหนึ่งที่เสนอความเห็นให้เหตุผลตรงกันข้ามเลยทีเดียวโดยท่านกล่าวถึงการที่สภาพของภูมิในโลกทิพย์มีลักษณะความเป็นไปไม่เหมือนกันคือของคนไทยก็เป็นอย่างหนึ่งและของฝรั่งก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนั้นย่อมแสดงว่าน่าจะเป็นสภาพที่มีได้เป็นได้จริงๆเพราแม้เพียงในโลกมนุษย์เราเองสภาพความเป็นไปเช่นดินฟ้าอากาศลาักษณะภูมิประเทศ และผิวพรรณหน้าตารูปร่างของบุคคลในภาคหนึ่งของโลกเช่นภาคตะวันออกก็ยังมีสภาพแตกต่างกันกันกบดินฟ้าอากาศลักษณะภูมิประเทศและผิวพรรณหน้าตารูปร่างของบุคคลในอีกภาคหนึ่งของโลกคือภาคตะวันตกอย่างเห็นได้ชัดเจนนี้เป็นการกล่าวถึงในวงกว้างเท่านั้นยิ่งในวงแคบเข้ามาคือแม้ในประเทศเดียวกันเช่นประเทศไทยเราเอง ก็ยังมีความแตกต่างกันอย่างมากมายในด้านฤ ด, ดูกาลลักษณะภูมิประเทศและนิสัยใจคอของคนท้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานและภาคกลางเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าปรากฏว่าสภาพของภูมิโลกทิศของไทยฝ่ายศาสนาพุทธกับของฝ ร, รัง่งฝ่ายศาสนาคริสต์และของมุสลิมฝ่ายศาสนาอิสลามมาเหมือนกันคือตรงกันหมดทุกประการแล้วไซ ก็ต้องมีความหมายลงมติได้อย่างเดียวกันคือทั้งหมดนั้นเป็นภาพลวงตาอันเกิดจากความละเมอเพ้อฝันเหมือนกับที่คนเมากัญชาหรือยาเสพติดคิดเห็นไปเองนั่นเองตามมาตินี้จึงหมายความว่าการที่สภาพของโลกทิพย์ของศาสนาต่างๆไม่เหมือนกันนั้นจึงแสดงว่าสภาพที่ที่มีอยู่เป็นความจริงอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นเหตุผลที่น่าคิดอีกประการหนึ่ง ซึ่งก็แล้วแต่ท่านผู้อ่านจะตกลงใจเลือกเชื่อทางฝ่ายใดตามใจชอบของท่านเองข้อที่สแต่ก็ยังมีประเด็นที่ปลีกย่อยลงไปอีกแม้สำหรับผู้ที่มีความโน้มน้อมใจอยากจะเชื่ออยู่บ้างแล้วแต่ก็ยังอดสงสัยด้วยความบริสุทธิ์ใจอยู่บ้างไม่ได้คือท่านให้เหตุผลว่าเอาละ่ะเรายอมรับว่าความแตกต่างของสภาวะในโลกทิพย์ของแต่ละศาสนานั้น ย่อมจะต้องมีได้เป็นได้เพราะถ้าจะกากเกณฑ์ให้เหมือนการทุกศาสนาก็อาจจะเป็นเรื่องที่เรียกกันว่าอุปทานกลุ่มไปก็ได้แต่ทีนี้แม้ในเรื่องของไทยคือของพุทธศาสนาเราเองมีการบอกเล่าของคนที่ตายหรือว่าสลบไปแล้วฟื้นขึ้นมาหลายรายได้บรรยายเรื่องราวต่างๆในรายละเอียดปลีกย่อยไม่ตรงกันเช่นบางรายเห็นเป็นบันไดทอดขึ้นไปสู่เบื้องบน บางรายก็เห็นเป็นวิญญาณเดินลอยตัวขึ้นไปเองเป็นต้นแล้วรายการเรื่องเทวทูตและพญายมราชของแต่ละรายก็ไม่เหมือนกันทุกอย่างเช่นนี้จะมีเหตุผลอย่างไรที่พอจะทำให้เชื่อได้อย่างมั่นคงไม่งอนแง่ น, นคลอนแคลนด้วยความสงสัยต่างต่างสำหรับประเด็นนี้ข้าพเจ้าเคยปรึกษากับผู้รู้ในด้านนี้บางท่านซึ่งท่านก็ให้ความเห็นว่าในรายที่ได้ไปเห็นจริง โดยที่ไม่ได้ละเมอเพอ้อฝันไปนั้นก็อาจเป็นไปได้ว่าเขาได้แสดงให้ดูตามอุปนิสัยหรือวาสนาบารมีที่คนผู้ที่สลบไปนั้นพอจะเข้าใจได้คือเปรียบเหมือนว่าถ้าผู้นั้นมีสภาพจิตใจเป็นขั้นเด็กอนุบาลหรือเด็กกระถมหรือสอนแบบที่ผู้มีจิตใจยังเป็นเด็กขนาดนั้นพอจะเข้าใจได้แต่ถ้าผู้นั้นมีปัญญาบารมีสูงขึ้นไป คือมีสภาพจิตใจเป็นเด็กขั้นมัธยมเขาก็แสดงให้เห็นเป็นอีกแบบหนึง่งที่มีความละเอียดและความลึกซึ้งในระดับที่ก้าวหน้ากว่านั้นเหมือนกับครูอาจารย์สอนวิชาเลขคณิตให้กับเด็กนักเรียนถ้าเป็นเด็กชั้นประถมก็ต้องสอนบวกเลขคูณหารง่ายๆพอเป็นขั้นมัธยมก็อาจสอนให้แยกแฟกเตอร์ให้รู้สม ก, การต่างๆเมื่อถึงขั้นอุดมศึกษาจึงจะสอนวิชาแคลคูลัสให้ได้ฉะนั้น อธิบายดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าฟังและน่าคิดอยู่เหมือนกันสรุปความว่าเมื่อหลักการส่วนใหญ่อันเป็นมูลฐานลงกันได้พอสมควรแล้วเรื่องประเด็นปลีกย่อยต่างๆที่มีความแตกต่างกันออกไปบ้างนั้นก็ควรถือเป็นเรื่องประสบการณ์ของแต่ละบุคคลตามวาสนาบารมีและอุปนิสัยตลอดจนถึงชั้นภูมิของจิตที่มีระดับความประณีตต่างกัน ยอมจะมองเห็นและมีทัศนคติต่อสิ่งเดียวกันและเหตุการณ์อย่างเดียวกันแตกต่างกันออกไปอย่างมากมายคือเป็นเรื่องที่ภายในของแต่ละคนได้แสดงปฏิกิริยาต่อสิ่งภายนอกคือเหตุการณ์และสถานการณ์ไปตามพื้นภูมิของจิตใจของตนเองนั่นเองลงชื่อสิริพุสุข มาเหตุผู้อ่านสำหรับความสงสัยในหลายเรื่องอย่างการบอกเล่าโลกหลังความตายต่างกันนั้นในเรื่องนี้มีอธิบายไว้ในแววเสียงสวรรค์แล้วนะครับสรุปเบื้องต้นให้เข้าใจง่ายก็คือเป็นผลจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นความเชื่อเดิมที่แฝงไว้อยู่ในจิตใต้สำนึกเหมือนเรื่องต้นนิ้วที่คนไทยตายไปแล้วมักจะเห็นแต่ฝรั่งตายไม่เห็นแต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่า พอไม่เห็นก็จะไม่ได้รับทุกนะครับเมื่ออยู่ในนรกจะเห็นหรือไม่เห็นอะไรก็ตามแต่สภาพพื้นฐานก็คือการได้รับทุกข์ในระดับเดียวกันทั้งนี้ให้สังเกตนะครับว่าเรื่องเล่าต่างๆของคนทั่วโลกนั้นมักจะเป็นพบภูมิขั้นต่ําหรือเป็นสวรรค์นในชั้นต้นๆเท่านั้นและส่วนใหญ่ผู้เล่าเองยังไม่มีความรู้แตกฉานในทางศาสนายังไม่มีความรู้แจ้งแตกฉานในทางฌานสมาบัติยังมีความยึดมั่นถือมั่น ยังมีตันหาอุปาทานแฝงอยู่อย่างแน่นหนานะครับสำหรับท่านผู้สนใจแนะนำศึกษาเรื่องโลกทิพย์ให้ครบทุกเล่มพร้อมกับศึกษาเรื่องแววเสียงสวรรค์ไปด้วยจะทำให้ท่านเข้าใจเรื่องโลกหลังความตายได้ถูกต้องตรงทางมากขึ้นนะครับ